สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ใน20กฎทองคํากฎข้อที่9คือกฎแห่งการขานรับกฎแห่งการขานตอบกฎแห่งการตอบรับกฎแห่งการตอบสนองต่อการกระทาของเราที่มีต่อพระเจ้าในเช้าวันนี้เราเข้ามาในประเด็นที่3ครับพระวจะนะพระเจ้า4ตอนด้วยกันพระกัมภีกล่าวว่า จงปิตินดีในพระเจ้าและพระองค์จะทรงประทานตามใจปรารถนาของท่านเราจะเห็นถึงกฎย่อยของการขันรับการขานตอบการตอบรับการตอบสนองของพระเจ้าก็คือว่าผู้ที่มีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าพระเจ้าทรงเพิ่มความชื่นชมยินดีให้เขามากขึ้นพี่น้องครับโปรดฟังครังนะครับกฎนี้มีชื่อว่าผู้ที่ มีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าพระเจ้าจะทรงเพิ่มเติมความยินดีให้กับเขามากขึ้นพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าใครมีความยินดีในพระเจ้าพระเจ้าจะเพิ่มความยินดีให้ผู้นั้นครับพี่น้องครับพอเจนาของพระเจ้าได้กล่าวให้ทำให้เราเข้าใจว่าการที่มีความปีติยินดีในพระเจ้านั้นเป็นอาณาเขตที่สูงสุดด้านจิตวิ ญ, ญญาณครับ อาาเขตที่สูงสุดด้านจิตวิญญาณที่คนหนึ่งจะมีความปิติสุขในองค์พระผู้เป็นเจ้าปิติยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราเห็นว่าดาวิดเมื่อพระองค์นั้นมีความปิติยินดีในพระเจ้าในชั่วรีบทที่16ข้อที่5ซึ่งเป็นพระกรรมัมภีร์ตอนที่2ในเช้าวันนี้บทที่ 16: ข้อที่5ของพระธรรมสุดดีนะครับพระองค์ทรงเป็นจอกแห่งพระพรของ ข, องข้าพระองค์คนทั่วไปนะครับ คำว่าจอกนั้นคือการดื่มเหล้าครับเป็นความสุขแต่ดาวิดรู้สึกว่าเป็นความอิ่มเอิมใจความพึงพอใจในพระเจ้าเป็นจอกแห่งพระพรของข้าพระองค์แสดงว่าพระเจ้านั้นเป็นที่เริ่มต้นของพระพรเป็นความยินดีเป็นความอิ่มเอิบใจอิ่มเอิมใจเป็นความพึงพอใจในพระเจ้าเป็นความสุขสูงสุดเป็นความปิติสุขครับ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับดาวิดและคำอธิบายของพระคำมภีร์ข้อนี้พระองค์ทรงเป็นจอกแห่งความยินดีแห่งพระพรของข้าพระองค์พระคัมภีร์ตอนที่3ครับสดุดีบทที่ข้อที่11ต่อพระพักพระองค์มีความชื่นบานอย่างเปี่ยมล้นและคัมพีรข้อสุดท้ายข้อที่4ในวันนี้ส่วนข้าพระองค์จะเห็นพระพักของพระองค์ในความชอบธรรมเมื่อข้าพระองค์ตื่นขึ้น ถ้าพระองค์จะอิ่มเอมใจด้วยพระลักษณะของพระองค์พี่น้องครับความชื่นบานอย่างเปี่ยมล้นแปลว่าความปิติสุขที่ไม่มีใครที่จะสัมผัสได้เป็นความปิติสูงสุดแล้วเมื่อเราพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะมีความปิติสุขและกฎข้อนี้เองครับทําให้เรารู้ว่าถ้าเรามีความปิติสุขในพระเจ้าเมื่อเราเข้าใกล้พระองค์เมื่อเราอยู่เบื้อง พระพักของพระองค์เมื่อพระองค์เป็นจอกแห่งพระพรของพวกเราแล้วเราเตื่นขึ้นเราจะพบว่าพระองค์เป็นทุกอย่างของเราครับพระองค์เป็นที่อิ่มเอมใจของเรามีพระองค์ผู้เดียวเราก็พอพอใจเราก็ปิติสุขแล้วพี่น้องครับเมื่อเรามีปิติสุขเรามีปิติสุขในพระเจ้าครับอย่ามีปิติสุขในเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่พระเจ้านั่นเป็นความหลอกลวงนั่นเป็นความเท็จครับเราจงมีปิติสุข เราจงมีความปิติยินดีชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าความปิติยินดีนะันี่แหละครับคือปิติยินดีแท้ครับพี่น้องครับคาถามในเช้าวันนี้ก็คือว่าเมื่อเราเตื่นขึ้นมาเราคิดถึงใครก่อนครับเราคิดถึงพระเจ้าก่อนเรามีความปิติยินดีในพระเจ้าหรือเปล่าครับเรามีพระเจ้าผู้ทําให้เราอิ่มเอมใจไหมถ้าใช่จงเชื่อเถิดว่าพระองค์จะทรงเพิ่มเติมมากขึ้น พรงจะทรงเพิ่มเติมความปิติสุขยินดีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเรามีพระองค์อยู่ตรงหน้าเราเมื่อเราได้อยู่และเห็นพระพักของพระองค์เติรนขึ้นมาเราจะอิ่มเอมใจครับสิ่งที่ทำให้เราอิ่มเอมใจไม่ใช่สงาราศีหรือพระพรครับแต่สิ่งที่เราอิ่มเอมใจมากที่สุดสิ่งนี้ก็คือการที่เราได้พบกับพระเจ้าเรามีความสัมพันธ์ดื่มด่ากับพระเจ้า เรามีความใกล้ชิดสนิทสนมเข้าสนิทในพระเจ้าเราจะเห็นพระองค์ครับพบกับพระองค์เองในห่วงความคิดของเราในห่วงความรู้สึกของเราในห่วงจินตนาการของเราเราจะยึดความปิติยินดีในองค์พระมูเนเจ้านี้ไว้พี่น้องครับพระเจ้าจะทรงตอบสนองเราด้วยความชื่นบานอย่างเปี่ยมล้นครับและมีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิดพี่น้องครับตื่นขึ้นมานะครับหมายความว่าเมื่อเรา ตื่นขึ้นมาตอนเช้าอีกความหมายหนึ่งก็คือเราตื่นขึ้นมาแล้วเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์บ้านบนสวรรค์ของเราครับสิ่งนี้ทําให้เราอิ่มเอมใจที่สุดไม่มีอะไรที่มากกว่าสิ่งนี้อีกแล้วพี่น้องครับไม่ใช่สง่าราศีนะครับไม่ใช่พระพรแต่ว่าการที่เราจะอิ่มเอมใจมากที่สุดก็คือการที่เรามีวันหนึ่งจะพบกับองค์พระบุตนเจ้าถ้าพระเยซูเสด็จมา ก่อนที่เราจะสิ้นลมหายใจเราจะได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้ากลางฝ้าอากาศครับหากไม่เช่นนั้นพี่น้องครับหลายหลาคนก็สิ้นลมหายใจก่อนพระเยซูจะเสด็จมาเมื่อเราตื่นขึ้นมาเราจะลอยขึ้นไปครับจากดินจะลอยขึ้นไปมีกายวิญญาณและมีความชื่นชมยินดีอย่างเปี่ยมลน้นเพราะว่าเราได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าแบบหน้าต่อหน้าพี่น้องครับ มาถึงช่วงสุดท้ายของชาววันนี้แล้วนะครับผมอยากจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าตอนหนึ่งด้วยกันครับหนึ่งเทสโลนิกาบทที่4ข้อ13มผมจะอ่านจนถึงข้อสุดท้ายนะครับก็คือข้อ18ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายเราไม่อยากให้ท่านไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับคนที่ล่วงหลับไปหรือทุกโศกเหมือนคนอื่นๆที่ไม่มีความหวังเราเชื่อว่า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 ด้วยพระบัญชากึกก้องด้วยเสียงแห่งเทพบดีและเสียงแตรของพระเจ้าผู้ที่ตายในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นพวกเราผู้ที่ยังมีชีวิตและเหลืออยู่ก็จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นเพื่อไปเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศและเราจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดนิรันด์ฉะนั้นจงให้กำลังใจกันและกันด้วยข้อความ เหล่านี้เถิดพี่น้องครับพระเยซูมีพระดารัสด้วยพระองค์เองในหลักความเชื่อนี้ไม่ได้บันทึกอยู่ในพระกิติคุณนะครับแต่บันทึกอยู่ซึ่งเป็นการสำแดงโดยตรงมาที่อาจารย์เปาโลเลยครับ 1. เทสโนิกาบทที่4ีนี้เป็นข้อความที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่หวังเป็นความหวังเป็นที่พึ่งของเราและเป็นที่ปลอบป ร, ลประโลมจิตใจของเราให้กาลังใจของเรา พี่น้องครับโปรดอย่าลืมว่าในสมัยนั้นเป็นสมัยที่คริสเตียนเริ่มต้นใหม่ๆครับยังไม่มีพระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์ใหม่เป็นเพียงเป็นแค่จดหมายฝากที่กระจัดกระจายไปส่งต่อกันไปในสมัยนั้นยังไม่ได้เป็นรวบรวมเป็นเรืม่มฉะนั้นเองสิ่ ง, งต่างๆที่เกิดขึ้นรวมกับการถูกข่มเหงครับการถูกฆ่า ยกตัวอย่างเช่นสเตเฟนเสียชีวิตเป็นผู้พลีชีพเพื่อพระเยซูคนแรกแล้วก็มีผู้พลีชีพเพื่อพระเยซูคนที่2องคนที่ส ต, ต่อต่อมาเรื่อยๆพี่น้องครับชาวเมืองเทโซริกานั้นตอนที่อาจารย์เปโตรท่านไปประกาศก็เจอกับการข่มเหงมากมายเจอกับคนที่ไม่ดีมาเบียดบังกดขี่พวกคริสเตียนชาวเมืองเทโซริกา พี่น้องครับความหวังเขานั้นอยู่ที่เบื้องหน้าความหวังเขานั้นก็อยู่ชีวิตหลังความตายแหละครับดังนั้นเองจานเปาโลเขียนจดหมายฝากไปถึงชาวเทเรสกาบอกว่าไม่ต้องกลัวครับเราจะอยู่กับองค์พระวิญญาณตลอดไปเป็นนิดจงให้กำลังใจกันและกันด้วยข้อความเหล่านี้เถิดให้คุณรู้ความจริงครับว่าคนที่ล่วงหลับไปไม่ต้องทุกโศครับเหมือนกับคนอื่นๆที่ไม่มีความหวังความจริงก็คือว่า ตามความเชื่อของเราพระเยซูพูดเองว่าเราจะเป็นขึ้นมาอีกคนที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อพระเยซูเสด็จมารับเขาก็จะลอยขึ้นไปเลยครับแต่คนที่ล่วงหลับไปแล้วก็ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีใครนำหน้าใครครับเพราะว่าพระเยซูจะเสด็จมาจากสวรรค์และด้วยเสียงของพระบัญชากึกก้องเสียงเทพธิดีเสียงตแตร คนที่ตายในพระคิดเป็นขึ้นมาก่อนแต่เป็นขึ้นมาก่อนครับแต่คนที่ยังมีชีวิตอยู่เหลืออยู่นั้นจะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกันครับพร้อมกันกับคนเหล่านั้นเพื่อไปเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้ากลางฟ้าอากาศเลยครับและเราจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปนิรันดรจงให้กำลังใจตัวเองและให้กำลังใจกันและกันด้วยถ้อยคําเหล่านี้เถิด ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน